จาลักษณะแห่งสุภาษิต ท, ที่ตรัสไว้ในสุภาษิตสูตรอย่างหนึ่งแล้วก็ที่ตรัสไว้ในอังคุตตระนิกายปัญจกะอีกอย่างหนึ่งมีตรัสเลยสองแห่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสุภาษิตสูตรบอกว่าภิกษสูตทั้งหลายวาจาประกอบด้วยองค์สี่เป็นสุภาษิตหาเป็นทุพภาษิตไม่ไม่มีโทษวินโยชนทั้งหลายตีเตียนไม่ได้ วาจาประกอบไปด้วยองค์สี่ก็คือว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมกล่าวแต่คําที่เป็นสุภาษิตเท่านั้นหากล่าววาจาที่เป็นทุพภาษิตไม่กล่าวแต่คําที่เป็นธรรมหากล่าวคําที่ไม่เป็นธรรมไม่กล่าวแต่คําที่เป็นที่รักหากล่าวคําที่ไม่เป็นที่รักไม่กล่าวแต่คําสัตว์เท่านั้นหากล่าวแต่คําที่ไม่ไม่จริงภิกษุทั้งหลายวาจาประกอบไปด้วยองค์สี่เป็นสุภาษิตไม่เป็นทุพภาษิตไม่มีโทษ วินยูชนตีเตียนไม่ได้สัตว์บุรุษกล่าวคําที่เป็นสุภาษิตสูงสุดภิกษุพึงกล่าวเป็นธรรมนะไม่พึงกล่าวคําที่ไม่เป็นธรรมนั่นเป็นข้อที่สองพึงกล่าวคําที่เป็นที่รักไม่กล่าวคำมันเป็นที่ที่ไม่รักอันนั้นเป็นคําที่สามกล่าวแต่คําสัตว์ไม่กล่าวคําหล่อแหละอันนั้นเป็นข้อที่สี่ท่านกอธิบายบอกว่าเจตนาเครื่องเว้นจากมุสาวาดเป็นต้นนะอันนั้นเป็นวาจาที่เป็นสุภาษิตทีนี้ หลังจากแสดงในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ไปดูบอกว่าถ้าเกี่ยวกันในเรื่องของการงดเว้นเนี่ยเนี่ยการงดเว้นจากพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้ออันนั้นแหละคือเป็นวาจาที่เป็นสุภาษิตมันมีเรื่องอยูเรื่องนึงว่าในการที่พระพุทธเจ้ามีนามว่ากัดศพเนี่ยนะมีภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่ากบินกปิระเป็นหูพระหูสูตร ทรงพระไตรปิฎกมีบริวารมากมีลาบสการลามากต่อมาเธอก็มีความเมาในความเป็นพหูสูตรคนเราอย่าลืมเนะเวลาศึกษาปริยัติที่ผิดตั้งเจตนาไว้ไม่ดีเนี่ยเวลาเรียนเก่งๆแล้วมันอดไม่ได้ที่จะอดเนี่ยนะอดปริยัติเมาปริยัติเขาเรียกเมาไงถูกความทยานอยากในลาบครอบงามต่อไปก็เลยบอกเมื่อเรามีความรู้มากก็ดีและเป็นเหตุ ทำให้เราได้ลาบสการะมากก็ถือตัวเป็นผู้ฉลาดกล่าวกับปิยะที่พวกอื่นเขากล่าวกันว่าเป็นอากาปิยะก็แปลว่าสิ่งนี้สิ่งนี้ไม่ควรคนอื่นก็บอกว่าไม่ไม่ควรหรอกแต่ตนเองถือว่าเป็นพระหูสูตรมียศถาบรรดาศากคนนับถือมากเนี่ยก็กล่าวบอกว่าสิ่งนี้ควรเขาเรียกว่าบิดเบือนคาสอนของพระพุทธเจ้า แม้ภิกษุเหล่าอื่นผู้มีศีลเป็นที่รักตักเตือนอยู่ว่าท่านกปิละท่านอย่าได้พูดอย่างนี้ก็ยังข่มคูด้วยว่าพวกท่านเป็นเช่นกับคนมือเปล่าจะรู้อะไรบอกท่านไม่ได้เจาะพระไตรปิฎกจะรู้อะไร <c oughs> เนี่ยนะเมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่เชื่อถือคําของตนก็ได้ด่าและบริภาดด้วยวาจายา่อกพอพูดไปแล้วไม่มีใครเชื่อโทสะจิตเกิดขึ้นด่าเลยใช่ไหม เธอจุดตีจากอัตภาพนั้นแล้วบังเกิดในอเวจีใช่ไเนี่ยโทษของงานไม่อยู่ในอเวจีหนึ่งพุทธันดอนด้วยเศษวิบากนั้นบังเกิดเป็นปลาสีทองในแม่น้ำอจิราวดดัีในสมัยพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยปากของปานั้นมีกลิ่นเหม็นเพราะผลแห่งการที่เธอด่าบริพาสภิกษทุทั้งหลายในการก่อ น, นโทษของการด่าผู้มีศีลเนี่ยปากเหม็น แต่นี้เราก็เริ่มเริ่มมานั่งคิดตัวเราแต่ที่จะว่าใครก็เริ่มคิดนะนเนี่ยการมันการเราตําหนิติชินใครเนี่ยโทษมันไม่ได้เกิดกับคนที่เราตีชินเลยนะมันเกิดกับเราผู้ไปตีชินเนี่ยปลานั้นจุดตีอาจจะอัตภาพนันจะบันเกิดในเวที A G อย่างเดิมอีกท่านก็เล่าบอกว่าที่จริงในรายละเอียดก็คือบอกว่าชาวประมงก็ไปจับได้ปวลาเนี่ยนะนี่เล่าเสริมโอ้ตัวใหญ่แต่พอปลานั้นอ้าปาก ออกมาเนี่ยโอ้โหทั่วหมู่บ้านเหม็นไปหมดเลยอย่างก็กินของเน่าเข้าไปไว้เนี่ยก็หามมามาเป้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยทําให้ให้ป่านั้นพูดได้ก็ถามบอกว่าเธอชื่ออะไรบอกกะปีละบอาว่าทำอะไรมาชาติก่อนเป็นภิกษุจบพระไตรปิฎกเก่าวบิดเบือนพระพุทธพจน์ด่าบริพาภิกษุที่มีศีลเอาแล้ว น้องสาวไปไหนอะ เ, อเวจีแม่ไปไหนอะโย เ, เวจีแม่และน้องสาวก็ตามพาด้วยพี่ชายเราไปิธิพานไปแล้วพี่ชายเข่งคักพอบอกแบบเสร็จแล้วก็ถามบอกว่าเออไปตก เ, เวจีแล้วก็ดิเศษกรรมมาเกิดเป็นปลาเอา้าแล้วนี้จะไปไหนอีกบอกก็เดี๋ยวตายอย่างนี้ก็จะไป เ, เวจีอีกแล้ว <c oughs> โหเจยบปวดเหลือเกินนี่ระวาจาหยาบฉนันบอกว่าควรละวาจาหยาบคาย กาวาจาเป็นที่แล้วจะได้ไม่มีโทษอันนี้เกี่ยวกับในเรื่องของวาจาสุภา ษ, ษิตและท่านก็เล่าเรื่องอีกอี ก, อ ก, อกเยอะนะที่เกี่ยวกับในเรื่องของวาจาสุภาษิตเนี่ยก็ให้เห็นคุณคําสัตว์เป็นวาจาที่ไม่ตายเป็นต้นเหล่านี้วาจาสุภาษิตเนั้นเป็นมงคลอันนี้ก็อันนี้ก็ในเรื่องของวาจาสุภาษิตก็จบจบเพียงแค่นี้ต่อไปก็ขึ้น คาถาที่สซึ่งมี4ี่มงคลนะสี่มงคลก็คือว่าการบำรุงมารดาหนึ่งการบำรุงบิดาหนึ่งการส่งครอบบุตรหนึ่งและภรรยาการงานแม่อากูลในในคาถาเนี้ยอาตถาท่านจําแนกมงคลไว้นี่ไว้สามในคือในแรกมีอยู่4ี่มงคลนะในที่สองมี5้ามงคลในที่สามีอยู่3มงคล แต่มงคลนับมีจํานวน38ประการนั้นเพราะนับมงคลในคาถาที่สี่มีอยู่สี่มงคลถ้านับห้าหรือสามจำนวนมงคลก็จะเพิ่มถ้านับห้าเป็นสาม้าถ้านับสาเป็นสามสเฉะนั้นถ้านับ4ี่จึงเป็นสามสิบแมงคลนี่เป็นอย่างนี้นะรายละเอียดของของมงคลในข้อนี้ก็คือว่าท่านพูดถึงการบํารุงมารดาบิดารวมกันเพราะบุตรพึงบํารุงมารดาบิดาในทํานองเดียวกัน ในสิงหาและกสูตริย์พุทธเจ้าตรัสว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าปุรัติมัทิตคือทิศเบื้องหน้าอันนี้พูดสําหรับใครที่ยังมีพ่อแม่อยู่ก็บ่มงรงมารดาบิดานะแต่ถ้าพ่อแม่ไม่อยู่ก็ทํากิจในฐานะที่ท่านร่วงรับไปแลนะ้วบุตรมีหน้าที่ที่จะบ่มรงมารดาบิดาหอย่างคือว่าท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบอันนี้หนึ่งนะสองรับทํากิจการงานของท่านสา ดำรงวงสกุลสี่เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ห้ 5. ก็คือประพฤติตนให้สมควรเป็นผู้รับมรดกของท่านอันนั้นห้าประการเนี่ยนะยังไม่ยังไ ม, ยงไม่ยังไม่ขยายอะไรส่วนบุตรและภรรยาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทิศเบื้องหลังถืออย่างนั้นการบำรุงบุตรและภรรยาก็ต่างกันบีดามอวันดาพึงบำรุงหรืออนุเคราะห์บุตรด้วยสถานห้า ถ้าใครเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเวลาจะอนุเคราะห์ลูกหลานก็อนุเคราะห์ด้วยสถานะ ห, หนึ่งห้ามไม่ให้ทำชั่วสองสอนให้ตั้งอยู่ในความดีสให้ศึกษาศิลปะวิทยาสเมื่อถึงวัยสมควรก็หาภรรยาที่เหมาะสมให้หถ้าผู้หญิงเนหาภรรยาที่เหมาะสมห้ามอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาที่สมควร นี้ถ้าใครยังไม่ทําก็ไปทําอันนี้เป็นหน้าที่ของบิดามารดาที่มีตบุตรส่วนหน้าที่ของสามีที่มีต่อภรรยาสามีพึงบงํารุงภรรยาด้วยสถานห้านี่ลองไปทบทวนดูนะว่าเออเราได้รับถูกบำรุงทั้งห้าสถานะ ห, หนึ่งยกย่องว่าเป็นภรรยาสองไม่โดมินสมไม่ประพฤตินอกใจสี่มอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้ ในบ้านเนี่ยการตัดสินใจใดๆเนี่ยเขาให้แม่บ้านเป็นเยอะห้ก็คือให้เครื่องแต่งตัวทั้งหมดเนี่ยเป็นมงคลมงคลสข้อในคาถาที่สี่การบำรุงมารดาการบำรุงบิดาการสงเครหบบุตรภรรยาเนี่ยเนีนี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้ต่อไปก็คือบอกว่าขยายขยายบอกว่ามารดามารดาบิดาเนี่ยเป็นผู้กิดทํากิจ ท, ท, ที่ทําได้ยากฉะนั้น พระผู้มีภาคตรัสบอกว่ามารดาเมื่อหวังผลคือบุตรย่อมนอบน้อมเทพถามถึงเลิกฤดูและปีทั้งหลายเมื่อมารดาอาบแล้วในเพราะฤดูสัตว์เกิดในครันย่อมก้าวลงด้วยเหตุนั้นมารดาท่านจึงเรียกว่าโทหะลิณีหญิงแพ้ท้องด้วยเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าสุหทาหญิงมีใจดีมารดานั้นถนอมคันปีหนึ่งหรือย่อนปีหนึ่งแล้วจึงคลอดด้วยเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่า ชนะยันตีชเนตตีผู้ยังบุตรให้เกิดเป็นต้นมารดาปลอบโยนบุตรผู้ร้องไห้ด้วยน้ำนมด้วยเพลงขับและด้วยเครื่องกกคืออวัยวะด้วยเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าโสโตเสนตีผู้ยังบุตรให้ยินดีหรือปลอบโยนแต่เมื่อลมหรือแดดแรงกล้ามารดาก็ทําความหวั่นใจคอยดูแลบุตรผู้ยังทารก ไม่เดียงสาด้วยเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าโปเซนตีผู้เลี้ยงเนี่ยทรัพย์ของมารดาใดมีอยู่ทรัพย์ของบิดาใดมีอยู่มารดาย่อมคุ้มครองทรัพย์แม่ทั้งสองนั้นไว้เพื่อบุตรด้ยหวังว่าเออทรัพย์แน่ทั้งหมดควรเป็นของบุตรเรามารมารดาเมื่อให้บุตรสำเนียกว่าอย่างนี้ลูกอย่างอย่างนู้นลูกเป็นต้นย่อมเดือดร้อนด้วยประการฉะนั้นบุตรถึงความเป็นหนุ่มแล้วมารดารู้ว่าบุตรมัวเมาในภรรยาของผู้อื่นในเวลาค่ำ ไม่กลับในวลนย่อมเดือดร้อนด้วยประการชนนีนี่ท่านขยายกันไว้ก็คือว่าบุตรเกิดเลิกไหนจึงมีอายุยืนโดยเลิกไหนจึงมีอายุสั้นและยามเลยดูและปีอย่างนี้บรรดาเลยดูทั้งหบุตรเกิดในฤดูไหนและปีไหนจึงมีอายุยืนฤดูปีไหนจึงมีอายุสั้นอันนั้นเป็นเขาบอกมารดาบีดาในโดยมากก็ไปตรวจดูว่าโลกของตนเองเนี่ยเกิด เกิดเลิกเวลาไหนอย่างไรนี่นึงแล้วก็มาตรวจสอบดูว่าบุตรของตนเองจะเป็นยังไงเป็นตน้นอันนั้นก็บอกว่าความที่พ่อแม่เป็นต้นเหล่านี้ความรักลูกนะนีความรักลูกล ก, ล ก, ก็หาอุบายวิธีแก้ไขให้ลูกเขาต้องบอกมาดาบิดาเนี่ยในมังคลาธทีบันีก็บอกเป็นพรหมของบุตรคําว่าพรหมเนี่ยนะท่านเรียกว่าพรหมบ้างเรียกว่าปูรพาจะ บุรพะเทพบ้างบุรภาจารย์บ้างเป็นเอาเนยบุคคลบ้างเปรียบเสมือนเท้ามหาพรมไงก็หมายความว่าเท้ามหาพรมเนี่ยมีเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาต่อสัตว์ฉะนั้นมารดาบิดาก็มีเมตตามีความรักความปรารถนาดีกับบุตรแล้วก็มีกรุณาสงสารบุตรในขณะที่ตกทุกข์ได้ยากมีมุทิตาในขณะที่บุตรประสบสุขความเจริญมีอุเบกขาเมื่อบุตรนั้น ประสบข้อกรรมเนี่ยนะเขาถึงบอกว่าเป็นพรหมของบุตรเมื่อบุตรอยู่ในท้องมารดานั้นน่ะมารดาบิดานั้นเกิดเมตตาจิตขึ้นในบุตรเมื่ อ, อไรเนอ้อเราจักเห็นลูกน้อยผู้ไม่มีโรคอันนี้อัตถกถาท่านพารนาอย่างนี้นงะท่านพารนาครับบอกว่าแต่ไม่รู้ทุกคนหรือเปล่า น, นี่คนไม่มีลกูกพูดพูดเรื่องลกูก <c oughs> วันก่อนไปพารนาก็ถามว่ท่านเคยมีลกูกไมหมวุ่นแหมเขาว่า พูดอย่างก็เคยมีรูปเห็นบอกมาเออบูดตามคําสอนในการใดบุตรน้อยยังอ่อนนอนหงายอยู่ถูกสัตว์ทั้งหลายมีเหลือบมีเลนเป็นต้นกัดน่ยหรือถูกการนอนเป็นทุกบีบคั้นร้องไห้อยู่ท่านทั้งสองก็เกิดความกรุณาขึ้นเพราะได้สดับเสียงบุตรนั้นเกิมเป็นอย่างนี้เนี่ยบอกว่าตอนอยู่ในท้องก็มีความรักความปรารถนาดีมีความเมตตา เขาเมืออนะ่อไหร่น้อลูกเราเยอกคลอดออกมาแล้วออกมาแบบไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเนะี่ยอันนี้ความรักต่อม า, มาเมื่อคลอดออกมาแล้วมีเลนมีเหลือบกัดกินเนี่ยนะเข้าไปกัดแล้วลูกร้องไห้นยะอุ้ยกรุณาสุดๆเลยอันนี้กรุณาก็เกิดในบุญในเวลาที่บุตรวิ่งเล่นไล่ก็ดีวิ่งเล่นในเวลาบุตรตั้งอยู่ในวัยงามน่าชมท่านทั้งสองก็มีใจอ่อนโยนบันเทิงเบิกบานอันนี้เป็นมุทิตานะ เห็นโหกำลังน่ารักวิ่งเล่นนี่เนี่ยเห็นแล้วชื่นใจมุธิทตาจิตเกิดทุกทีในการใดบุตรทำการเลี้ยงภริยาแยกเกลือนในการนั้นท่านก็เกิดมัตยยัตขึ้นว่าบัดนี้ลูกน้อยของเราอาจเพื่อจะเลี้ยงตนได้ด้วยธรรมดาโดยลำพังของตนในการนั้นท่านทั้งสองย่อมวางเฉยก็คือว่าเออเนี่ยโตแล้วสมควรที่จะเลี้ยงตัวเองได้แล้วเนี่ยก็รู้จักวางใจ ให้รู้จักช่วยตัวเองอันนี้ก็เกิดอุเบกขาขึ้นเนนี่แหละเขาเรียกได้ว่าพ่อแ ม, นะม่เนี่ยเป็นพรหมนท่านมีครบไงมีทั้งเมตตามีทั้งกรุณามุ้ทตาแล้วก็อุเบกขาเขาเรียกว่าเป็นพรหมท่านมีความประพฤติชเช่นกับพรหมเพราะได้พรหมวิหารเนี่ยทีนี้มารดาบิดาเป็นปุรภะเทพเหมือนอะไรวิสุทธิเทพวิสุทธิเทพนั่นเป็นชื่อของพระลรหัน ไม่คำนึงนึกถึงความผิดอันพวกชนพานทาแล้วหวังแต่ความเสื่อมแห่งความพินาศและความเกิดขึ้นแห่งความเจืลงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเขาโดยส่วนเดียวแท้ๆและย่อมนำความที่ส ก, การะทั้งหลายของพวกเขาให้มีผลมากเพราะเป็นทักคินายบุคคลฉันใดมารดาบิดาก็ฉันนั้นไม่คำนึงถึงความผิดของบุตรทั้งหลาย ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่บุตรนั้นโดยส่วนเดียวเท่านั้นบอกว่าลูกจะช่วยยังไงก็ก็ปฏิบัติเพื่อให้ลูกได้ประโยชน์นําความที่สการะของบุตรเหล่านั้นทําแล้วในตนมีพภารันิสง์มาเขาบอกว่าถ้าอยากจะได้อา น, นิสง์มานําสักการ ะ, อะดอกไม้ทูบเทียนอะไรก็แล้วแต่นะหรือว่าของหอมอาหารการบริโภคใดๆนะเอาสิบอย่างอนะอามิสสิบอย่างก็แล้วกันก็ข้าวน้ําผ้าผ่อน อะไรต่างๆไปที่โค้งไปเนี่ยเอาไปบูชาท่านก็ไปให้ท่านเน่ยเมื่อไปให้แล้วเนี่ยอา น, นิสงส์จะมากเพราะท่านเป็นอะไรเป็นปุรปเทพเป็นวิสุธทธิเทพของบุตรเป็นผ้าอรหันของบุตรนั่นเองเป็นอาหุเนยบุคคลเป็นบุคคลผู้ควรบูชาเพราะบุตรทั้งหลายรู้จักเทพเหล่าอื่นด้วยสามารถท่านสองแล้วปฏิบัติอยู่ย่อมได้รับผลแห่งการปฏิบัติ สมมุติเทพอุปติเทพวิสุทธิเท พ, เท พ, เทพชื่อว่าปัจฉาเทพสมมุติเทพเทพโดยสมมุติคือพระเพ้าพนดินแล้วก็องค์ราชายาธิเป็นต้นเหล่านี้หรือว่าอยู่ในราชตระกูลทั้งหลายนะอุปติเทพเทวดาจริงๆที่อุบัติเกิดขึ้นในสวรรค์ชั้นจาตุมเป็นต้นวิสุทธิเทพหมายถึงพระลรหันโดยทั่วไปอันนั้นชื่อว่าปัจฉาเทพแปลว่า เทพที่มาที่หลังเราใชส่วนมารดาบิดาท่านเรียกว่าเป็นบุราพรเทพเพราะท่านเป็นผู้มีอุปการะก่อนเทพเราอื่นเช่นสมมติทเทพเนี่ยพระเจ้าเป็นดินเนี่ยจะมาดูแลเราเนี่ยมประโยชน์แกเราก็ที่หลังอุปติเทพแม้นเทวดาก็เหมือนกันก็คอยดูแลววบำรุงเราก็ที่หลังวิสุทธิเทพพระอรหันต์ทั้งหลายก็นับว่าเป็นปัจฉาเทพที่หลัง แต่มารดาบิดานี่เป็นบุรารเทพเป็นเทพที่มาก่อนเป็นทิศเบื้องหน้าใช่ไหมมารดาบิดาเนี่ยนี่เข้าใจนะเป็นอย่างนี้เนะี่ยอันนี้พูดให้กับคนที่ไม่มีมารดาบิดาแล้วแล้วคนที่ยังมีมารดาบิดาแล้วเออเราจะได้รู้ว่าท่านเป็นแบบนี้ทีนี้มารดาบิดานั้นเป็นบุราภาฌา์ของบุตรมารดาบิดานั้นเน่ยยังบุตรให้ยึดถือให้สำเนียงอยู่ จำเดิมแต่เวลาที่บุตรเกิดโดยในเป็นต้นว่าใครสอนเราคนแรกเนี่ยนั่งอย่างนี้ยืนอย่างนี้เดินอย่างนี้ให้เรียกพ่อให้เรียกแม่เนี่ยคนที่สอนเราคนแรกหรือก่อนนี่คือพ่อแล้วแม่เขาจึงเรียกว่าเป็นบุรพาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยกราบอาจารย์คนแรกหน่อยเนี่ยคือพ่อและแม่ใครที่ยังมีอาจารย์คนแรกอยู่ ในบ้านอยู่โอ้โหเป็นบุตญนี่มะได้ดูแลแต่ไม่ใช่แหมเห็นหน้าพ่อหน้าแม่งดุเงียดเถียงกับพ่อกับแม่อยู่เรื่อยเลยอันนี้ไม่ดีอาจารย์น่ยอย่าไปเถียงอาจารย์เป็นอัปมงคล น, นี่อาจารย์เราเนื้ว่างเนื้ออาจารย์หลรงพ่อแม่เป็นอาจารย์ใช่ไหมแล้วเป็นอาจารย์คนแรกด้วยเป็นบุรพาจารย์ไม่ใช่เป็นอาจารย์คนหลังลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่า อาจารย์เหล่าอื่นจึงให้ศึกษาศิาศาลปะวิทยาเพราะให้วิชาอื่นๆเป็นต้นน่ยนะอาจารย์เหล่าอื่นให้สารณให้ศีลแล้วก็ให้บรรดชาเหล่าอื่นให้พุทธวจนะเหล่าอื่นให้อุปสน์บทน่ยให้บรรลุมรรคผลเป็นต้นเหล่านั้นน่ยชื่อว่าปัจฉาอาจารย์เช่นอาจารย์ที่สอนเราในโรงเรียนเนี่ยนะเป็นปัจฉาอาจารย์นะไม่ใช่บุรพาาจารย์นะไม่ใช่อาจารย์คนแรกอาจารย์คนแรกเนี่ยคือพ่อแม่ นอกนั้นเป็นปัจฉาจารย์หมดใช่ไหมเหมือนเช่นอาจารย์ที่สอนธรรมะอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นปัจฉาอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์คนแรก <c oughs> ใช่ไหมให้ศีลให้อุปสมบทให้พุทธวจนะให้คําสอนแม้นแต่บอกคนทางยนบรรลุมหาผลนิพพานเนี่ยเป็นปัจฉาอาจารย์ดังนั้นไม่ใช่อาจารย์คนแรกแต่พ่อแม่เนี่ยเป็นปุราพาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกพูดอย่างเี้ยเราคิดถึงอาจารย์คนแรกหมคิด <c oughs> อย่าลืมไหวาอาจารย์คนแรกใบบุมารดาบิดาเป็นอาหุเนยบุคคลของบุตรเพราะมารดาบิดานั้นควรซึ่งวัตถุมีข้าวแลวนะน้ําเป็นต้นอันบุตรทั้งหลายนํามาบูชานีก็รูปปท า, ทาทานางสัททานางคัน ท, ทานางรัาสานางโผฏภาทานางธรรมทานางที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเป็นต้นตลอดถึงให้ได้ทั้งอามิสบูชาแล้วก็ธรรมบูชานี วันจะบูชาท่านอย่างนั้นเพราะท่านเป็นอานยบุคคลของบุตรด้วยเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในสัพพะมสูตรในติการิบาตและในจตุการนิบาตอังวุตรนิกายบอกว่าภิกษุทั้งหลายคําว่าพรมนั้นเป็นชื่อของมารดาบิดาคําว่าบุรบพเทพคําว่าบุพาจารย์คําว่าอานยบุคคลนะั้เป็นชื่อของมารดาบิดาข้อนั้นเป็นเพราะเหตุอะไรภิกษุทั้งหลายเพราะมารดาบีดามีอุปการามะมาก บำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสคำไวยากรณนี้พระสุคต์พระศาสดาขั้นตรัสไวยากรณ์นี้แล้วภายหลังได้ตัดคํานิคมนั้นเป็นต้นบอกว่ามานดาบิดาอนุเคราะห์ประชาบุตรท่านเรียกว่าพมบุรพาจารย์เอาเนื้อยบุคคลของบุตรทั้งหลายนี่ก็ไปศึกษาคําสอนนะบอกว่าเมื่อเราเข้าใจคําว่าพระหูพหูกาลาได้แก่มีอุปการะเ ม, มาก คำว่าอุปะสับเนี่ยบงบงถึงคำว่าอุปการละมากอุปการแล้วพระผู้เมีพระภาคเจ้าเพื่อจะแสดงความที่มารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการละมากโดยประการต่างๆจึงตรัสว่าอาปาธกานี่เป็นอย่างไงทีนี้ความที่มารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากพระพุทธเจ้าแสดงว่าเป็นเหตุแห่งความเป็นพรมเป็นต้นอันเป็นเหตุที่บุตรไม่อาจจะ ทำตอบแทนแก่มารดาบิดานั้นให้สิ้นสุดโดยประการลายด้วยอุปการะอันเป็นโลกียะได้เบอกว่าเนี่ยสมบัติในโลกใบนี้นะเราจะไปทดแทนทำตอบแทนคุณมารดายังไงมันก็ไม่หมดไม่หมดนะให้สิ้นสุดโดยประการลายด้วยอุปการะอันเป็นโลกียะได้เลยถ้าบุตรวางวางมารดาไว้บนบ่าเนี่ยท่านอุปมาบอกว่าบุตรเนี่ยนะ อามันดะอาม า, ด า, า, มาดาเนี่ยว้บนบ่าขวาเอาบิดาไว้บนบ่าซ้ายไว้บนจังอยบ่านี่นะด้วยหมายจักทําตอบแทนแก่ท่านพึงประคับประคองอวัยวะทั้งปวงทํากา ร, รํารุงท่านดํารงอยู่จนตลอดจนจังอยบ่าทั้งสองนั้นแหลด้วยกิจมีการอบกลิ่นเป็นต้นแม้มารดาบิดานั้นพึงนั่งถ่ายอุจลราัสาวะลดลงบนจังอยบ่าทั้งสองของบุตรนั้นแหล บุตรนั้นเน่ยพึ่งทําอยู่ตลอดร้อยปีก็ไม่อาจตอบแทนบุญคุณท่านได้เลยอันนี้ก็ไปเปรียบเทียบอย่างให้ท่านนั่งอยู่บนนั้นถ่ายรถลาดรถอุจจาะระปัสาสาวะนี่เนี่ยร้อยปีโอ้โหคนบางคนเนี่ยพอมารดาบิดาถายเปิดเละเธอแค่นั้นเนี่ยอี่ยวว่าจะถ่ายรถเลยใช่ไหมโอ้โหล้านบ้านเลยนี่ไม่ไม่เอาเอางอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่รู้จากคุณ มันต้องกลับไปคิดใหม่นะบางทีเนี่ยเด็กในยุคนี้ไม่ได้เรียนมงคลกันก็เลยไม่รู้ว่าโอโ้มีอุปการะคุณแม้ว่าบุตรพึงป น, นิบัติด้วยความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไว้ด้วยความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมารดาไว้ด้วยความเป็นอัคระมะหสีของพระเจ้าจักรพรรดิใช่แม้อย่างนั้นก็ไม่อาจจะตอบแทนไนดะ้ส่วนบุตรใดเน้นะตั้งมารดาบิดาเพื่อถึงพร้อมด้วยอาธรรมมีความเป็นผู้ไม่ศรัทธาเป็นต้นไว้ด้วยความ เป็นผู้ถือถึงวอมด้วยศรัทธาชื่อว่าอาจตอบแทนท่านได้คืออย่างนี้ถ้าท่านไม่มีศรัทธาสามารถทําให้ท่านมีศรัทธาในวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่มีศีลเน่ท่านสามารถทานศีลรักษาศีลท่านไม่มีสมาธิปัญญาเป็นต้นก็แนะนําหรือหาอุบายวิธีให้ท่านมีสิ่งต่างๆท่านใช้คําว่าอาจตอบแทนได้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้ด้วยเหตุนั้นพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่า ตัดไวในมาตาปิตุคุณสูตรในทุกกรนิบาทในอังกุตตระนิกายบอกว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวการตอบแทนได้ง่ายแก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองคือมารดาบิดาบูรพึงประคับประคองมารดาด้วยบาข้างหนึ่งพึงประคับประคองบิดาด้วยบาข้างหนึ่งเขามีอายุร้อยปีเป็นอยู่ชีวิตร้อยปีและเขาพึงทาการบํารงวิดามันด้วยของหอมเนี่ยนะ โนดฟ้นให้อาบน้ําและการดัดทั้งสองพึ่งทายอุจลปัสสวะรดบ่าทั้งสองนั่นเลภพิสูุทั้งหลายกิจอย่างนั้นยังไม่เป็นอันบุตรธรรมแล้วหรือตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาภลยิสูจทั้งหลายอันหนึ่งบุรุษบุตรใดสถาปนาบิดาในราชสมบัติอันเป็นอิสริยยศเป็นใหญ่ในแผ่นดินอันมีรัตนเจ็ประการมากมายภิกษุทั้งหลายกิจอย่างนั้นยังไม่เป็นอันทำแล้วหรือตอบแท น, แแนบกทอ ก, ก, ก, กออ ว, ออบว่า ถ้ามีอำนาจเนี่ยนะตั้งพ่อและแม่เนี่ยตั้งพ่อเป็นพระเจ้าจักรพรรดิตั้งแม่เป็นพระอัครมเหรสีก็ยังไม่เชื่อว่าตอบแทนบุญคนของพ่อแม่แต่ถ้าหากว่าท่านไม่มีศรัทธาก็ให้ท่านถึงพร้อมได้ศรัทธาสัมปทายังวีดาผู้ทูศีลให้สมาทานศีลอย่างมานดาผู้มีตนีให้มีการให้ทานอย่างมารดาผู้มีปัญญาสามให้ตั้งมั่นอยู่ในปัญญาสัมปทา พิกสูตทั้งหลายด้วยเหตุนั้นโดยประมาณท่านี้กิจนั้นชื่อว่าเป็นอันบุตรกระทําแล้วตอบแทนแล้วกระทาอย่างยิ่งแล้วแก่มารดาบิดานั้นอันนี้เราก็รู้เลยนะการตอบแทนคุณมารดาบิดาก็คือว่าพิจารท่านทุศีให้ท่านมีศีนึ่ไหมถ้าท่านไม่มีศรัทธาก่อนก็ให้ท่านมีศรัทธาท่านทุศีให้มีศีลท่านมีความดันหนีก็ให้ท่านบริจาคทานถ้าท่านไม่มีปัญญาก็ให้ท่านถึงพร้อมด้วยปัญญาอันนี้ชื่อว่าตอบแทนคุณของท่านแล้ว มานดาบีดาเท่านั้นมีอุปการะมากเหตุนั้นอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าเลขขาว่าจะ ง, งอยบ่าขวาสําหรับมารดาบ่าซ้ายสําหรับบีดาเป็นต้นก็ไม่เชื่อเป็นการตอบแทนเน้ดังที่ได้กล่าวไว้นี่เป็นอย่างนี้นะทีนี้ภิกษุเห็นมารดาถูกกระแสน้ําพัดไปไม่ควรถูกต้องด้วยมือทีเดียวพึงวางส่งหรือแผ่นกระดาษ ดาตกน้ำเออถ้ามารดานเนี่ยตกน้ําถ้าเป็นพระเนี่ยจะช่วยจะช่วยไหมใช่ไหมผู้บายบอกใช้จีวรนได้เลโ ย, ยนจับได้อันนั้นเป็นการบอกว่าเพราะปกติเนี่ยพระจะถูกต้องกายหญิงไม่ได้ใช่ไหมแต่ยังมีอนุญาตดูแลได้เลี้ยงดูได้เขาบอกว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งเนี่พิสูจน์ทเพศศาตร์รรแก่มารดาบีดาเหล่านั้นก็ไม่เป็นเวชกรรมใช่ไหม ปกติเนี่ยพระเนี่ยไปทำยาประกอบยาให้ไงไม่ได้นีแต่ว่าถ้ามารดาบิดาป่วยเนี่ยก็ทรงอนุญาตบอกทําประกอบเวชกรรมทําได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ผิดพระวินยัยประการต่อมาก็คือว่าภิกษุนั้นน่ย บ, บอกว่าจีวรเป็นอ น, นมากเกิดขึ้นแก่ภิกษุรูปหนึ่งภิกษุรูปนั้นใขรจะให้จีวร น, นั้นแก่มารดาลำดับนั้นภิกษุนั้นบอกความนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็ทูลควา ม, วามนั้นแก่พระพุทธเจ้าพระเจ้าตัดเรียกบอกว่า ทรงอนุญาตว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุให้สิ่งของของตนแก่ท่านด้วยถือว่ามารดาบิดาเราจะพึงว่าอะไรสมัยก่อนเนี่ยได้ผ้ามาเนี่ยก็ผ้าไปให้แม่ให้พ่อแม่พ่อก็ตัดเป็นผ้านุ่งห่มก็ใช่ไหมยังไม่ได้ย้อมนี่ปกติเมื่อได้ผ้ามาแล้วพระก็ต้องอามาย้อมมาซักมกกะเพื่อจะทำเป็นจีวรของตนแต่มีภิกษุอีกรูปเนียเอาไปให้พ่อและแม่แล้วก็ไปถามพระเจ้า พระเจ้าบอกว่าเราจะพึงว่าอะไร อ, อนุญาตเพื่อให้สิ่งของของตนแก่มารดาบิดาภิกษุทั้งหลายแต่ภิกษุไม่ถึงทําศรัทธาไทยให้ตกไปภิกษุใดคืนทำศรัทธาไทยตกไปภิกษุนั้นต้องอาบัติทุกคนก็หมายความบอกว่าย่อมทําศรัทธาไทยตกไปโดยบอกว่าก็แปลว่าจะอย่างเช่นถ้าเชาวบ้านเขาจวายมาเนี่ยใช่ไหมเอาไปเนี่ยก็ต้องคํานึงถึง ถึงคนที่เขาถวายมาด้วยอย่าทำให้เขาเสียศรัทธาตรงนั้นภิกษุเมื่อให้ผลไม้ก็ดีดอกไม้ก็ดีอันเป็นของของตนแกมารดานำไปให้เองก็ดีให้คนอื่นไปให้ก็ดีเรียกว่าให้เองหรือให้คนอื่นไปให้ก็ย่อมควรเมื่อจะให้แก่หมู่ญาตินอกนั้นให้คนอื่นเรียกมาให้อย่างเดียวจึงควรตรงนี้ก็ ภิกษุควรบารุงมารดาบิดาโดยในที่กล่าวพระพุทธเจ้าตรัสไว้ด้วยวามาตาปิฎูปถานังการบํารุงใดที่พระอธิถฐาาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ด้วยสามารถแห่งเครื่องหัดที่สุดบอกว่าบททั้งหลายยังไม่ละความเป็นเครื่องหัดเพียงใดชําระค่าหนี้เก่าวด้วยการบํารุงมารดาบิดาเพียงนั้นการบำบุงนั้นเพึ่งเห็นว่าท่านกล่าวได้แสดงว่าชื่อว่าการเป็นวัดของเครื่องหัด ท่านกล่าวไว้ว่าการบำรุงมารดาบิดาบันปิชิตไม่ควรทำอันหนึ่งพึงเห็นว่าคำนั้นท่านกล่าวเพื่อแสดงว่าธรรมดาผู้บวชพึงเป็นผู้ไม่มีหนี้เพราะฉะนั้นมารดาบิดาเนี่ยคนใดคนหนึ่งควรบำรุงแท้บุตรปฏิบัติผิดในมารดาบิดาย่อมประสบทุกข์ในข้อนี้เ้าก็เล่าให้ฟังบอกว่าในสมัยพระพุทธเจ้านามว่ากัสปะบุตรของเศรษฐีมีสมบัติอยู่80โกดในกรุงพราณสี มีชื่อว่ามิตะวินทุกะเป็นคนทุศีลไม่มีศรัทธานยส่วนบีดามานดาเป็นพระโสดาบันแต่มีลูกทุกศีลทีนี้ในการต่อมาเนี่ยเมื่อบีดาถึงแก่กรรมเขาก็กล่าวว่าแม่ฉันจะไปค้าขายทางเรือบุตรเนี่ยนะมันดาก็บอกว่าลูกเจ้าเป็นลูกคนเดียวคนเดียวของแม่นแม่ทรัพย์เรือ น, นี้ก็มีมากมหาสมุทรก็มีโทษหลายอย่างเจ้าอย่าไปเลย ลูกก็ขืนไปอย่างเดียวแล้วก็พูดถูกว่าแม่ไม่อาจจะห้ามฉันได้ถูกมารดาจับที่มือไว้ก็สลัดมือออกตีมารดาให้ล้มลงแล้วก็ไปยังเรือคือทุบแม่ล้มลงแล้วก็ไปเลยในวันที่7เนี่ยเพราะอาศัยมิตรตะวินทุ ก, กะเรือก็ได้หยุดไม่เคลื่อนไหวคนก็จับฉลากในสมัยก่อนก็เป็นอย่างนี้ถ้าไปกลางเรือก็จับฉลากกันใช่ ในเรือนั้นน่มีคนกาลิกินีอยู่หรือเปล่าก็ตกอยู่ในมือมิตาวินทุกะถึงสามครั้งพวกมนุษย์จึงให้จับโยนลงในมหาสมุทรคือมีแพให้ด้วยเขาก็เกาะกระดานเกาะแพไปได้เห็นหนครแห่งหนึ่งมีประตู4ประตูเนี่ยเป็นกรอบประเทศนั้นชื่อว่าอุสธานรลกลอยไปในนรกเป็นสถานที่เสวยกรรมกรของสัตว์ผู้เกิดในนรกเป็นอ น, นมาก อุตสาหนรกเนี่เป็นนรกบริวานเนีไม่รู้หลุดไปยังไงไม่รู้หลุดไปในนาลกได้ไอเมืองของนาลกเนี่ยมันเป็นเหมือนอย่างประเทศประเทศหนึ่งมันก็เป็นเมืองเล็กเมืองน้อยเขาเรียกนรกบริวารขนาดนาลกบริวารหนึนน่นงดูที่นี้ว่าแต่นาลกเขาเป็นสถานที่เสวยกรรมของสัตว์พุทธตกในนาลกแต่นาลกนั้นปรากฏแก่มิตะวินทุ ก, กะ เหมือนนครอันเขาประดับประดาด้วยกําลังแห่งกรรมคือด้วยโทษแห่งการที่ทบแม่เนี่ยที่เป็นพระสวัดาบันเนี่ยทำให้มิตรตะวินทุกกาเนี่ยมองเห็นคนที่เขากำลังสวยนรกอยู่เนี่ยสวยความทุกข์อยู่เนี่ยอุ้ยสวยงามหมดเลยนะเขาคิดว่าจะเป็นพระราชาในนครนี้โอ้เราจะต้องเป็นพระราชาให้ได้เหรเห็นสัตว์นรกตัวหนึ่งเนี่ยมีจักรคมอ่ หมุนอยู่บนศีรษะข้ามครวนอยู่ลำดับนั้นจักอันคมหมุนปั่นศีรษะสนรกสัตว์นรกอยู่นั้นปรากฏแก่มิตต่วินทุ ก, กะเป็นดอกประทุมเป็นดอกบัวเห็นดอกบัวอยู่บนศีรษะเครื่องจองจำห้าอย่างที่อกของสัตว์นรกปรากฏเป็นเครื่องประดับอกโลกหิตที่ไหลออกจากศรีระของสัตว์นรกปรากฏเหมือนจันเครื่องรูปไร เสียงค่ำครวนของสัตว์นรกปรากฏเป็นเสียงเพลงขับโอ้มันตรงกันข้ามหมดเลยเนะี่ยเขาเข้าไปใกล้สัตว์นรกแล้วกล่าวว่าบุรุษผู้เจริญท่านทัดดอกประทุมนานแล้วจงให้ดอกบัวแกเข้าไเย้ <c oughs> าเขาใส่ขอดอกบัวเลยสัตว์นรกว่าสหายนี่ไม่ใช่ดอกประทุมมันนี้เป็นจักที่มันคมกลิบเนะี่ยมิตรตาวินทุกกากล่าวว่าด้วยต้องการจะบอกว่า บอกหวงหรือไงอวะเงี้ยนี่ยปบกว่าห่วงเลยสอดในรองคิดว่าเออเราสงสัยกรรมเราจะหมดแล้วจะมีคนมารับแทนเราแล้วนี่คิดแกนั้นแล้วก็กรรมของเราจากสิ้นแล้วบุรุษแม้คนเนี้ยพึงทํากรรมหนักเหมือนเราคงจะเคยทุบตีพ่อแม่มาแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจักให้จักอันคมแก่เขามาเถิดผู้จเจริญท่านจงรับดอกประทุมแล้วก็โยนจักอันคมนะบนศรรีรษะลง จากนั้นก็หมุนบทกระหม่อมของมิตรวินทุกะในขณะนั้นน่ยมิตราวินทุกกะทราบว่าสิ่งนั้นเป็นจักรอันคมก็กล่าวว่าท่านจงเอาจักรของท่านไปเดินประสบทุกขเวทนาข้าควรสัตว์นรกเนี่ยนะเมื่อออกมันก็เลยหายจากทุกส่วนมิตราวินทุกกะสวยทุกอยู่ในโรกสิ้นเวลานานเพราะผลเนี่ยกกุศลกรรมที่ได้ได้ประทุษประทุษร้ายมารดา เมื่อวิบากแห่งกรรมสิ้นแล้วจึงลาจากจักอังคมตามกรรมอันนี้ท่านก็เล่าเรื่องกันไว้ว่ามิตรตาภวินทุกข์อันนี้โทษของการประพฤติผิดตอ่อมารดาส่วนพระโมคขลานะก็ที่โดนทุกตายเนี่ยอันนี้ก็โทษของการประพฤติผิดตอ่อมารดาเหมือนกันนะคือบุรุษคนหนึ่งในเมืองพระราณสีใช่ไหมเชื่อคําของภรรยาเนี่ยต้องการที่จะฆ่ามารดาบิดาเนี่ย นำท่านทั้งสองไปด้วยยานน้อยในเวลาถึงกลางดงเก่าพวกโจรเนี่ยฉันจะกลงไปก็คืออย่างนี้อยู่อยู่กับพ่อแม่ต่อมาตาบอดต่อมาพ่อแม่ก็ให้แต่งงานไม่หมยก็จะไม่แต่งแต่พะแต่งงานไปแล้วเนี่ยก็ให้เมียให้ภรรยาเนี่ยดูแลพ่อและแม่ที่ตาบอดนักเข้าก็ว่าการดูแลคนตาบอดเป็นความําคานเ่ยเนี่ยก็บอกโอไม่เอาแล้ว ไปไปมาก็ฝ่ายภรรยาก็บอกสามีบอกว่าเอาไปฆ่าทิ้งอะไรๆพูดใ ห, หม่ๆก็ไม่เชื่อพูดไปพูดมาก็เชื่อในที่สุดจริงๆก็หลอกพ่อแม่ไปกลางป่าแล้วก็แกล้งทําทีทําท่าว่าโจรมาเนี่ยแล้วก็ทุบพ่อแม่ในขณะที่ทุบนั้นพ่อแม่ก็ร้องว่าร้องให้ลูกวิ่งหนีไปตัวเองก็สะท้อนใจขึ้นมาก็เลยไปสารภาพบอกว่าไม่ใช่โจรทุบลรอกตนเองเอง พ่อแม่มาดูแลไม่นานในสุนจริงพ่อแม่ก็ตายเพราพะกรรมนั้นแหละในที่สุดจริงโดนทุกมาตลอดเนี่ยแม้ในชาติสุดท้ายเป็นพระโมคคัลลานะก็ก็ประสบความทุกข์อันนี้แกก็เล่าเรื่องว่าการประทุสร้ายกับมารดาบิดาเนี่ยก็เป็นโทษดังที่ได้กล่าวอยู่นี่คือการบำรุงมารดาบิดาที่ผิดพลาดเนี่ยอีกในข้อนึงก็คือว่านรชนใดพระโพธิสัตว์พูดถึงในเรื่องของพระโ พ, พธิสัตว์นั่นนะ กล่าวคถาไว้ว่านรชนใดเลี้ยงมารดาบิดาโดยธรรมแม้เทพยาดาราทั้งหลายก็ช่วยแก้ไขนรชนผู้เลี้ยงมารดาบิดานั้นนรชนใดเลี้ยงมารดาบิดาโดยธรรมนักปราชญ์ทั้งหลายสรรเสริญ น, นรชนนั้นในโลกนี้เองลาจากโลกนี้แล้วก็บันเทิงในสวรรค์เสวยทิพยาสมบัติเป็นอันมากทีนี้มหาราชผู้กษัตริย์ขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมในมารดาบิดา พระ อ, องค์นะั้นทรงประพฤติทมในโลกนี้แล้วจับไปสู่นอสวรรค์นะั้นก็เป็นการกล่าวเตือนพระโบธิสัตว์นะให้ประพฤติดีต่อมารดาบิดาเป็นต้นนี่นี่เป็นไปอย่างนี้ส่วนในรายละเอียดนะก็ในเรื่องราวที่ท่านกล่าวไว้ในมงคลนะก็กล่าวกล่าวค่อนข้างเยอะนะีเรื่องการเลี้ยงดูมารดาบิดามีการยกทั้งธรรมบททั้งเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้มากล่าวไว้เยอะ ยังจะขอเล่าอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยพระโพธิสัตว์เป็นพญาช้างเผือกมีช้างประมาณแปดหมื่นเป็นบริวารเนี่ยก็เลี้ยงมารดาผู้ตาบอดอยู่ในป่าหิมาพานทีนี้ในการต่อมาในพญาช้างนั้นละโขงพามารดาไปสู่เชิงเขาจันโทรนะพักมารดาไว้ในถ้ำแห่งภูเขาซึ่งตั้งอยู่ในติดกระสับระุมแห่งหนึ่งเลี้ยงดูแล้ว ข้ั้งนั้นน่ยพานชาวกรุงพราณสีก็หนึ่งหลงทางสิ้นเจ็ดวันค่ำครวนอยู่นถึงที่นั่นแล้วก็พยาช้างให้เขานั่งบนบนหลังด้วยความกรุณาก็นำไปไว้ในถิ่นของมนุษย์แล้วก็กลับพานคนเนี้เป็นคนชั่วไปยังเมืองพราณสีกราบทูลเกวร า, าชาบอกว่ามีช้างมงคลก็ในการนั้นช้างมงคลของพระราชาลมหนึ่งพระราชาก็ส่งควานช้างไปกับนายพาน นำพระโพธิสัตว์มาแล้วพักไว้ในโรงช้างทรงถือของกินมีรถเลิศต่างๆให้พระราชทานแก่พญาช้างพระโพธิสัตว์คิดว่าเราเว้นมารดาจักไม่รับอาหารแม้เมื่อพระราชพระราชาตรัสว่าพญาช้างจงรับฟ่อนญ้าก็ไม่รับทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์เลี้ยงมารดาผู้ตาบอดมารดาของข้าพระองค์ เว้นข้าพระองค์จักถึงความสิ้นชีวิตขอข้าพระองค์เว้นมารดานั้นเสียก็ไม่ควรต้องการด้วยอมิตรแยศวันนี้เป็นวันที่เจ็ดแห่งมารดาของข้าพระองค์ผู้ไม่ ไ, มได้อาหารพระราชาสดับคํานั้นแลแ้วตรัสว่าท่านทั้งหลายจงปล่อยมหานาคนี้ที่เลี้ยงมารดาขอมหานาคจงพร้อมด้วยกับมารดาพร้อมด้วยญาติทั้งหมดเถิดก็เลยได้ปล่อยพระโพธิสัตว์ก็พ้นจากเครื่องผูก แสดงทมแก่พระราชาหน่อยหนึ่งด้วยระถาว่าด้วยทศพิราชธรรมเนี่ยถวายโอวาทขอเดชะขอพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาะเทเถิดผู้มหาชนบูชาแล้วด้วยวัตถุทั้งหลายมีกองอมเป็นต้นออกไปจากนาครสำนักของมารดาในวันนั้นเองพระราชาก็เลื่อมใสในคุณของพระโพธิสัตว์ให้สร้างบ้านณนะที่ใกล้สะปทุมทรงตั้งวัดการบารุงเนืองนิด ในการต่อมาเมื่อมารดาของพระโพธิสัตว์นั้นล้มลงแล้วโปรดกล้าวให้ทําสรีระกิจของมารดาของพระโพธิสัตว์ทำอาสมชื่อว่าการทกะแล้วก็เสด็จไปยังพระนครต่อมาฤาษีประมาณ500ลงจากป่าหญ้าพานนั้นพระราชาพระราชาทานวัดการบํารุงนั้นแก่ฤาษีเมื่อพระโพธิสัตว์นั้นล้มลงแล้วได้สร้างรูปด้วยศิลามีประมาณเท่าพระโพธิสัตว์นั้นแล้วโปรดให้ทําสการะใหญ่ ชาวชมพูทวีปก็ประชุมฉลองช้างทุกๆปีตรงนี้ก็ยกตัวอย่างว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยเสวยพระชาติเป็นช้างแล้วก็เป็นพญาช้างเนี่ยนีเลี้ ย, เยงเลี้ยงแม่ทีนี้พอเลี้ยงแม่เบีดเสร็จแล้วพอต่อมาก็ถูกในพานจับไปแล้วก็พระราชาก็เอาไปขังไว้ก็ไม่ยอมกินอาหารในที่สุดจริงๆก็แสดงทำโปรดพระราชาแล้วก็พระราชาก็ปล่อยมาเข้าป่าแล้วพรตา ย, ยังสร้างรูป เป็นที่เคารพด้วยเนะี่ยเขาบอกว่าให้สังเกต ด, ดูเนะื้อสัตว์ที่มาเกิดเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยใครทําร้ายไม่ได้ใครทําร้ายไม่ได้เพราะเป็นสัตว์มีบุญข้อจะแคล้วคาดเนี่ยเนะี่ยก็จะเป็นไปลักษณะอย่างนั้นนั่นนะเป็นอานิสงส์แห่การบํารุงบารุงมารดาบีดาด้วยแม้แต่บอกว่าแม้แต่มีเรื่องเรื่องหนึ่งนะีที่บอกว่าอุบาสกคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีเมื่อบิดาตายแล้วมีมารดาเป็นดังเทพ ปณิบัติมารดาด้วยกิจมีการในน้ําล้างหน้าบ้วนปากเป็นต้นชําราฟันเนี่ยนะส่วนมารดาพูดแก่เขาบ่อยๆบอกว่าเพื่อให้มีภรรยาเมื่อเขาไม่ปรารถนาอยู่นั้นก็คือนําสตรีรุ่นสาวมามอบให้ก็คือมารดาก็หาภรรยาให้แม้สตรีนั้นก็บํารุงมารดาอุบาสกนั้นโดยเคารพต่อมาประสงค์จะให้สามีนํามารดานั้นออกไปฆ่าออกไปนอกเมืองน พูดกับสามีเอานายเมื่อนายไปข้างนอกมารดาของนายด่าฉันเขาก็ได้นิ่งตั้งแต่นั้นนา น, นางเมื่อจะให้ยาคูย่อมให้ยาคูที่ร้อนจัดเย็นจัดเค็ม จ, จัดจืดจัดเมื่อแม่ผัวกล่าวว่าร้อนจัดเค็มจัดแม่เติมยาน้ำเมื่อแม่ผัวกล่าวนั้นอีกเย็นนักไม่เค็มก็จะส่งเสียงอื่นก็คือว่าไม่ชอบใจก็คือปฏิบัติไม่ดี ก็ทะเลาะกับแม่ผัวสามีก็บอกว่าไม่อาจจะอยู่ในเรือนหลังเดียวกันกับมานดาขอให้ให้อามานดานั้นเน่ยไปอยู่ข้างนอกนี่ผู้ชายก็บอกว่านางผู้เจริญหล่อนยังสาวไปที่ไหนที่หนึ่งแล้วก็อาจเป็นอยู่ได้ก่อนส่วนมานดาของฉันทุกพลภาพเนีฉันท่านั้นเป็นที่พึ่งของมานดาหล่อนจงออกไปสู่สกุลอื่นไล่เมียออกจากบ้านไปเลยถ้าคนในยกนี้ไม่เอาน บอกกันอย่แต่คนจะยกนี้เอาเอาผูา้หญิงไว้ไล่แม่ออกจากบ้านตละปัดกันแต่คนก่อนยกก่อนนี้เขาเขาไลา่ไล่เมี้ยออกจากบ้านเอาแม่ไว้ภายหลังอุบาสกเนี่ยไปสู่วัดเชตวันฟังธรรมถวายบังคมาศาสดาแล้วเนี่ยพระาศาสดาอันพระาศาสดาตรัสถามอุบาสกเธอไม่ประมาทในบุญกรรมบำเพ็ญกรรมคือการบำุงมารดาอยู่หรืออย่างนั้นพระเจ้าค่าก็กราบทูลเรื่องทั้งหมด พระศาสดาก็ตรัสว่ากวาสกเธอไม่เชื่อไม่เ ช, ชื่อคําของสตรีนั้นในการบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเธอฆ่ามารดาของเธอออกเพราะคําของสตรีนั้นแล้วได้อาศัยเราจึงนํามารดานั้นกลับสู่เรือนปฏิบัติอีกดังนั้นแล้วก็ตรัสตัดชาดกให้ฟังอันนี้คือเรื่องที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับในเรื่องของการบํารุงบีดาและก็บํารุงมารดานี่เนี ฉะนั้นการบำรุงมารดาบิดานั้นเป็นเป็นมงคลนี่เป็นอย่างนี้ก็ก็จัดว่าเป็นเป็นมงคลดังที่ได้กล่าวเนี่ยทีนี้ประการต่อไปก็คือว่าในรายละเอียดอีกข้อหนึ่งก็คือว่าอนาคูราจะกรรมมันตาที่จริงมันมีหลายข้อนีตรงเนี้นะก็มีบุตรภรรยาเป็นต้นเหล่านั้นน่ยอันนั้นก็จัดว่าเป็นเป็นเป็นเป็นมงคลอีกเหมือนกันในข้อที่บอกว่า ทรงข้อบุตรและภรรยาเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าธรรมดานั้นบุตรนั้นมีอยู่สามจำพวกพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกนี่ยสามจำพวกก็มีอติชาติบุตรอนุชาติบุตรแล้วก็อวชาติบุตรภิกษุทั้งหลายอติชาติบุตรเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายมารดาบิดาของบุตรในโลกนี้ ไม่ถึงพุทธเจ้าเป็นสารณาไม่ถึงพระธรรมเป็นสารณาไม่ถึงพระสงฆนะ์เป็นสารณาไม่งดเว้นจากปาณาติบาตินาทานกาเมสุมิฉาจานมุสาวาตไม่งดเว้นจากดื่มน้าเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นผู้ทุศีสมีบาปส่วนบุตรของเขานั้ น, นถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณาถึงพระธรรมพระสงฆนะ์เป็นสารณะแล้วก็งดเว้นจากปาณาติบาตินน า, า ders, nelle, ทานกาเมสุมิฉาจารมุสาวาต งดเว้นจากการดื่มน้ําเมาและสุราเป็นต้นลักษณะอย่างนี้มีศีลมินกลายาในธรรมพิสูจน์ต่งหลายอย่างนี้เรียกว่าอติชาติบุตรเก็เป็นอย่างนี้นะคือว่า พ, พ่อและแม่เนี่ยเป็นคนทุศีลแต่บุตรเป็นคนมีศีลอันนี้เขาเรียกว่าอติชาติบุตรอันนี้ก็ไปไปตรวจสอบเนะีคนในโลกนี้เป็นอย่างนี้มีอยู่ภิสูจทั้งหลายอนุชาติบุตรเป็นอย่างไรมารดาบิดาในโลกนี้ถึงพระพุทธ พระธรรมประสงค์เป็นสารณะแล้วก็งดเว้นจากปาณาติบาตอธินาทานเป็นคนเป็นมีศีลมินกาลยานธรรมเนี่ยนะและบุตรของเขาก็เป็นพูดถึงพระพุทธพระธรรมประสงค์มีศีลมินกาลยานธรรมเป็นสารณะภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรียกว่าอนุชาตบุตรเข้าใจไอนุชาตบุตรบุตรคือว่าเสมอกันกับบุตรกับพ่อแม่เสมอกันภิกสูทั้งหลายเอว่าชาตบุตรเป็นยังไงพิกษุทั้งหลายมารดาบิดาในโลกนี้เป็นผู้ถึง พระพุทธเป็นสารณะพระธรรมเป็นสารณะพระสงฆ์เป็นสารณะเว้นจากปานาติบาติณาทั น, าานมีศีลมีกิริยานธรรมส่วนบุตรของเขาไม่ถึงพระพุทธไม่ถึงพระธรรมไม่ถึงพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นคนทุศีลมีบาปรธรรมอันนี้เรียกว่าเอว่ชาติบุตรภิกษุทั้งหลายบุตรสามยมพวกนั้นแลมีปรากฏอยู่ในโลกพระภูมิภาคเจ้าตรัสความนั้นแล้วจึงตรัสเป็นคาถาบอกว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมปรารถนาะติชาติบุตรอนุชาต ตบุตรไม่ปรารถนาอว่าชาติตบุตรผู้ตัดสกุลบุตรเหล่านั้นมีอยู่พร้อมในโลกบุตรเหล่าใดเป็นอุบาสกมีศรัทธาถึงพร้อมได้ศีลรู้ถ้อยคําของยาจกปราศจากความตณีบุตรเหล่านั้นย่อมไพรโรดในบริษัททั้งหลายเหมือนพระจันทร์วันพ้นจากก้อนเมฆอันไพโรดเช่นนั้นอันนี้ก็กล่าวบอกว่าบุตรผู้เกิดล่วงมารดาบิดาด้วยคุณทั้งหลายของตนเนี่ย คุณก็หมายความยิ่งกว่ามารดาบิดาชื่อว่าติชาติบุตรบุตรผู้เกิดพอสมควรแก่มารดาบิดาเรียกว่าอาวชาติเนี่ยเนยคือขอภายอนุชาติบุตรผู้เกิดไม่เสมอบุตรกรเทวดาเรียกว่าอาวชาตินี่เป็นอย่างนี้ก็แปลว่าถ้าไม่มีศีลก็คือไม่มีศีลห้าเป็นต้นเหล่านี้บุตรใดเมื่อมารดาบิดาเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลตนเองเป็นก็เป็นเช่นนั้นบุตรนั้นเพิงทราบว่าเป็นอวชาติดังที่ได้กล่าว อันนี้ท่านก็จําแนกบุตรนะบุตรทั้ง3ามประเภทมีอยู่ในโลกเป็นอย่างนี้ที่เป็นอติชาติบุตรอนุชาติแล้วก็อวัชาติบุตรประการต่อมาก็คือบอกว่าอีกสี่จำพวกนะบุตรอาศัยตนเกิดบุตรเกิดในเขตบุตรที่ปรากฏอยู่ภายในบุตรที่เขาให้บุตรผู้อาศัยตนเกิดชื่อว่าอัตราชาบุตรผู้เกิดในที่ทั้งหลายบนที่นอนบนบรรลังเป็นต้นชื่อว่าเขตราชาบุตรผู้เรียนศิลปะ อันเตวสิกบุตรที่เขาให้เพื่อต้องการจะให้เลี้ยงชื่อว่าทินกกนักะนี่เขาเรียกบุตรส่วนภรรยาเนี่ยอันนี้คือบุตรนะบุตรมีอยู่สามเออมีอยู่สามแล้วก็มีอยู่สี่ส่วนภรรยานั้นมีอยู่ทั้งหมดย0สิบจำพวก <c oughs> เยอะนะในพระอุบาลีเถระกล่าวไว้ในวิพังสตีที่มารดารักษาสตีที่บิดารักษาสตีที่มารดาบิดารักษาสตีที่พี่รักพี่ น้องชายรักษาสตีที่พี่น้องหญิงรักษาสตีที่ญาติรักษาสตีที่โคตรรักษาสตีที่ทำรักษาสตีที่มีอารักขาสตีที่มีอัจฉยารอบที่มีอัจฉยารอบสตีที่ซื้อมาด้วยทราบสตีที่อยู่ด้วยความพอใจสตีที่อยู่ด้วยโภคะสตีที่อยู่ด้วยแผ่นผ้าสตีที่จุมนิ้วมือในภาชนะสตีที่บุรุษ ลงเทิดลงสตรีที่เป็นทั้งทาสีทั้งภรรยาสตรีที่เป็นผู้ทํางานทั้งภรรยาสตรีที่ธงนํามาสตรีที่บุรุษร่วมเพียงคู่เดียวอันนั้นชื่อว่าภรรยาในภรรยานี้ไปดูในข้อการเมสมิชาจารย์ว่าเออประพฤติเช่นใดผิดถูกต้องในรายละเอียดตรงนี้จะจะจะถ้าขยายก็จะมากนิดนึงไอ้ยกตัวยอย่างตรงนี้ดีกว่านะ ก็ไล่ไปตามลำดับเล็กน้อยที่เขากล่าวตรงนี้มาก็จะยให้รู้บอกว่าอันนั้นเป็นภริยาเพราะในบทนี้ก็บอกทรงข้อบุตรแลภริยาใช่ไหมออภริยาทั้งยี่สิบจำพวกเนี่ยจะทรงข้อทรงข้ออะไรแต่ไม่ใช่มีภริยายี่สิบคนเ้าบอกแต่ละบุคคลเนี่ยที่ไปเกี่ยวข้องนะไปเกี่ยวข้องที่จะนำมาเป็นภริยานั้นต้องถูกต้องอถ้าหากว่าสตรีที่ มันดารักษาก็ต้องได้รับอนุญาตจากมารดาถ้าหากว่าสตรีที่บิดามารดารักษาก็ต้องขออนุญาตทั้งสองฝา่ายถ้าสตรีที่มีพี่รักษามีชาพี่ชายน้องชารักษาก็ต้องไปขออนุญาตเพราะาถ้าไม่ขออนุญาตเนี่ยถ้าใครไปล่วงละเมิดขึ้นมาก็ถือว่าผิดนี่เป็นอย่างนี้ต้องหรือว่าที่มีโพได้มาด้วยโพคะบางทีเขาซื้อมาเงี้ยเขาซื้อมา หรือบางคนก็ทํามารักษาไว้หรือว่าเขาบอกว่ายังตนให้เป็นใหญ่ย่อมไม่ให้ในที่ไหนๆเขาบอกย่อมกักไว้ในที่คุ้มครองในที่บุตรหรือเหล่าอื่นเป็นต้นแล้วนั้นสตรีทั้งหลายมีที่มีบุคคลที่คอยดูแลรักษาแล้วก็ทีนี้เมื่อถามว่าการบํารุงเนี่ยการบํารุงนั้นบํารุงยังไงบํารุงด้วยฐานะ5ถ้าบุตรแล้วก็ภรรยาเนี่ย บรรดาบุตรและภรรยานั้นการทําอุปการะด้วยฐานะทั้งหลายมีการห้ามจากความชั่วสงเคราะห์ให้ตั้งอยู่ในความดีเรียนศินป่าวิทยาเป็นต้นเหล่านี้นการอุปการะด้วยฐานะมีการนับถือเป็นต้นชื่อว่าการสงเคราะห์พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าขรามบรดีทิศเบื้องหลังคือภรรยาภรรยานี้จดัดว่าเป็นทิศเบื้องหลังสามีพึงบํารุงด้วยสถานะการนับถือการไม่ดูหมิน่น การไม่ประพฤติล่วงแล้วก็การมอบความเป็นใหญ่ในบ้านแล้วก็ให้เครื่องประดับอันนี้เป็นทิศเบื้องหลังที่ที่ควรควรค ว, รควรกระทําการยกย่องชื่อว่าการนับถือการยกย่องมีอยู่สามอย่างนะท่านบอกว่าส า, ามีเนี่ยจะยกย่องภรรยาเนี่ยสาอย่างมียกย่องอะไรมีการประพฤติประโยชน์เป็นลักษณะมีการให้เป็นลักษณะ มีการกล่าวถ้อยคำน่ารักเป็นลักษณะอันนี้เรียกการยกย่องคือประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีการให้แล้วก็กล่าวถ้อยคำที่น่ารักไม่ใช่พูดคำด่าคำอะไรอย่างนี้ไหมโยกำพิษได้ฐานะนี้ไหมได้นะนาเสดายเนี่ ย, เ, ดด เ, ยเขาตายไปก่อนเนี่ยเลย ไ, ได้อีกแล้วดนี้แล้วก็สงเคราะห์ที่สี่เพราะฉะนั้นเน่ยเพื่อจะแสดงการยกย่องมีการกล่าวถ้อยคำน่ารักเป็นลักษณะเป็นต้น ก็คือกล่าวถ้อยคําถ้าคนในสมัยโบราณในสมัยครั้งพุทธกาลเหมือนกันเขาเรียกกันแม่สามีเรียกเรียกเรียกภรรยาเรียกแม่ภรรยาก็เรียกต่อมาเรียกพ่อเขาเรียกกันอย่างนี้เนี่ยเรียกแม่เรียกพ่อถ้าหนักหน่อยก็แกมันมีมีอยู่มีอยู่บ้านหนึ่งคุยกันโกมึงนึกถึงยอมตัวโกมึงโกมึงเขาบอกว่าเฮ้ยภรรยาก็เรียกวอะมึงไปอยู่วัด อาจาร์เนี่ยบอกว่ามึงได้ของอะไรดีๆก็มาบอกคูบ้างก็บอกภรรยาบอกบอกว่าอะไรถ้ากูจะตายมึงบอกทางกูหน่อยนะบอกเออเดี๋ยวกูจะบอกให้มาล่ามาเล่ า, า, ลาอันนี้แต่จริงก็เป็นคํำน่ารักเนะี่ยเขาไม่ได้พูดกันเพราะจิตที่ยากนะเขาบอกว่าความนับถือไปปราศจากชื่อว่าความดูหมิน่นความโดมินหาไม่ได้ชื่อว่าความไม่โดหมิน่น คือไม่ทําการดูหมิน่นอัตถกถาท่านบอกการไม่กล่าวเบียดเบียน ด, ดูหมิน่นอย่างที่คนทั้งหลายก็ทุบตีเบียดเบียนทาตและกรรมกรเป็นต้นเ้าเรียกว่าการดูหมิน่นก็คือไม่ดูหมินนั่นเองไม่ประพฤตินอกใจก็คือว่าล่วงเกินภรรยายแล้วบําเลอสเตย์อื่นประพฤตินอกใจอันนั้นมอบความเป็นใหญ่ไม่ใช่คำว่าอิสตริยะพึงได้เครื่องประดับแม้เช่นเครื่องประดับ มหาลดาเป็นต้นเมื่อไม่จัดพัดย่ำโกรธเมื่อสามีวา่า